ศาสนาไม่อยู่ในที่ใดที่นั่นก็เย็นศาสนาโบกผู้ปฏิบัติศาสนาบกช่องในที่ใดที่นั่นก็ร้อนศาสนาไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็น ข, นขนนณะขณะใดมีศาสนามันดะติดมีปัญญาพิจารณารักษาใจอยู่ใจก็เย็น ในขณะที่ปราบปรามกับตนผู้ร้ายภายในใจิตใจซึ่งเราเริ่มปราบปรามทีแรกก็ร้อนเพราะส่วนมากม่กจะแพ้หนึ่งแต่ก็ยังดีเรายังมีกำลังพอต่อสู้มันถึงจะได้รับความแพ้ก็ยังแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีกว่ายอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางาด้านจิตใจ เป็นขั้นขัความยุง่งยากความลําบากในการปฏิบัติแต่พราะอย่างยิ่งก็คือเบื้องต้นมันยากไปอีกแบบนึงคือยากไม่เห็นต้นเห็นกายไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไปรับจากสําหรักตำราลิบกูบายอาจารย์ท่านสอนอะไรพอฮูปาก็เอามาปฏิบัติตอนนี้ลันยาก ความที่อยากรู้อยากเห็นของมีกําลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้นี่ก็เดือดร้อนอันหนึ่งนี่เคยเป็นมาแล้วมันเหลือแต่ใจใพุ่นยังไงความอยากพายในจิตใจนี่เหมือนจะล้มตังค์จะหมายถึงความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามความเดือดร้อนเสียใจเมื่อคืน้านั่งน้ําตาร่วงอยู่ก็มีมันต้องมีตัวเองเนั่นแหละว่าอํานาจวาสนาน้อย ม า, มาบวนแล้วก็นหนักศาสนาท่านบรับมานั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้าไม่ได้เนนนั่งจัอมูอกับกองทุกมันคิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุ่งกับผลลายได้โดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกำลังเมื่อไม่สมหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหากเราคานึงถึงการปฏิบัติของเรา ในงานของเราที่ทําว่าถุยึดถือบ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหายความยึดมั่นถือมั่นนี้ความอยากนั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางอันนี้ภาวนาไปกําหนดอะไรก็มีแต่จะให้รู้ให้เห็นนักผลนิพพานถ่ายเดียวซึ่งคาดเอาไว้นั่นเองสวรรค์ะจะเป็นอย่างนั้นพม่าโลกจะเป็นอย่างนี้นิพพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คาดไปเดาไปแล้วความอยากมันก็ดุนแรงอยากรู้อยากเห็น จะพ้นทุกจากการปฏิบัติมันไม่ก้าวสิมันจะอยากมันจะยืนอยากถิ่เสงยืนอยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาแก็มันไม่ทำงานกับภาวนาคมอแต่ความอยากเดินจงคมกับมิตรความยากลื ม, ม, ามางานที่ทำมันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุไม่เป็นไปตามจิด ท, ที่หมายแล้วจะถึงจุด ท, ที่หมายได้อย่างไงมีเคยเป็นมาแล้ว ยำบากตอนนี้พนานาพุโทโธพุโทโธเนี่ยถ้าพุโทโธถือความอยากมันไปแทะขมาม่นจะอยากรู้ตับกเห็นจะให้จิตเป็นอย่างนั้นนี้จิตไม่เเพลินแต่กับความอยากจนมันลืมงานแต่ของ้วทีนี้ผลสุดท่านมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันเกิดความหนือยลเสียใจ มันเป็นอูเสมอภายนในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับปิดที่มันเสื่อมหม่ปิดเสืมร้อนมากจริงๆเพราะเคยเห็นเหตุเหตุหผลในรับความสะดวกสบายสงบเครื่องเยน็นภายในจิตใจมาแล้วรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอย่างชัดเต็มแต่แล้วพอมาเสืมไปเชื่อจิดนี้ร้อนมากจริงๆ ร, ร้อนจนจะมีที่ยับที่ยั้งดีอยู่างหนึ่งด้ยอ่ร้อนมันก็ไม่ถอย นี่แตจะเอาให้ได้ท่าเดียวถ้าว่าจิตถอยหรือ่อนกําลังลงมาเสียหรือทอดอะไรเสียอนี้มันก็หมดท่าหมดฝังเลยแห่นี้ยังดีที่จิตมันไม่ถอยนี่จะจะเอาให้ได้อย่างาอันนี้ก็ที่มันเสื่อมลงไปแล้วมันกลับตัวไม่ได้เคราะความอยากนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะความความอยากให้มันรู้มันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่ หน้าที่งานการงานที่ทำมันไม่สัมพันธ์เกีเ่ยวกันมันมีแต่ความอยากยาอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันผิดกับหลักของเหตุเหตุไม่ทําให้สมบูรณ์เท่าที่ควรรู้ได้ตามผลที่เคยรู้มันก็รู้ไม่ได้นั่งอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนขึ้นบนปะขึ้นบนภูเขาก็ไปร้อนอู่บนภูเขา ในขนาดที่จิตเสื่อมหาที่ชิ้นดีไม่ได้เลยนะไม่ทราบเป็นไงความร้อ น, นการบวชในศาสนานี่มีครั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้เสียใจที่จิตเสื่อมลงไปทําไงก็ไม่ได้เสื่อมลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักตาต า, ตางปรากฏว่าเหมือนไม่เคยคาวนานเลย มีแต่ความเสียใจนั่งเสียร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะความอยากนั้นนะความเสียใจที่สมบัติั้งตนที่มันหลุดลอยไปหายไปจากตัวแล้วกลับความอยากได้กลับมาอีกสองอย่างนี้ประดังกันเข้าไปแล้วมันก็เลยมีกําลังดุนแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงทุกข์ก็ทุก อ, อย่างนั้นนะไม่ไม่รู้ทางออก อยากก็อยากนั้นอ่ะไม่รู้วิธีการที่จะทําให้มันกลับมาได้อันนี้จะความอยากความอะไราอาวรณ์คืนที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปลกปหลาดอาการย์ภายในจิตใจจะได้หายไปเสียมีแต่ความเสียใจเต็มหัวใจอันนี้ค ว, ความอยากเฉยมันกงไม่สามารถที่จะยัง ท, ทําที่หายไปนั้นคืนมาได้ถึงกระทั่งมันหมด อะไรตายอยากต้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันกระท อ, ะอดทุระสิทอดทุระลงในหน้าที่อันเดียวนเท่านี้ยเรื่องผลอะไรที่เคยอยา ก, กอยากมานานแล้วทุกข์ก็ทุกแสนทุกพระความอยากก็ไม่เห็นท่าอะไรสินีไหมาเอาไหมล่ะต่อยมันเที่ยมัหมดอยารู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ละอย่เอาแต่จะพูดโททั้งนี้อยู่ในที่ดใดๆประการท่านยังให้เถอะเอามันจะไม่รู้จริงๆเหรอ เป็นไงก็เป็นพอทอดทุณรันแล้วความความหยามันก็ไม่รุนแรงที่ความทุกข์นั้นค่อยเบาลงไปมันตั้งหน้า ท, าาทยยํางานถูกไหมกบพุทโถยงั้นน่ะคุณนิสัยนี่เป็นนิสัยอย่างนั่นมาดั้งเดิมมันเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมอยู่เป็นนิสัยจริงจังเดินปัดกวาดก็ไม่อยอมให้เผลอพยายามอยู่งั้นน่ะปัดกวาดล้านมัดลันมาตอ น, นนี้นพยายามระมัดระวังถึกเผลอไปชั่วขนะ มันก็ทันนะมันก็รีบเอากลับมาได้มีถูกต้องนะทีนี้พอทอดทุลาแล้วจิตมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้งองกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยมันจะอยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมหรือภาวนาพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็พุดแล้วแต่พุทโธจะโดยบรรดาลให้เนี่ ย, ยก็นึกถึงจนกระทั่งจิตมันลง มือมันลงแล้วพุโทโธไม่จําเป็นปล่อยสักที น, นทีนี้มันลงนะทีน่ะแต่ก่อนนั้นไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วก็คําว่าพุโทโธอังมันก็ไม่จําเป็นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นชัดเยน็นก็อยู่กับความรู้นั้นแหะพอถอนออกมาก็เอาพุโธอัดเข้าไปไม่หวังเกิยอะไรก็ไม่หวังเหผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนันเช่นโทษในความหวังแล้วที ความหังแบบเป่าๆแบบไม่มีเหตุมีผลแบบไม่ทํางานเอาทีี่จะทำแต่ ง, งานทำแต่ ง, งานคือเมื่อได้รับการบำบุงการรักษาโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่นเข้าไปแน่เนเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเก่าจึงแปลกแล้วจึเอาถึงระดับเก่าก็ทอดทรายว่าอย่างนั้นอีกเช่นกันอ่า มันจะเสื่อมไปไหนก็เสือ่อเราเคยต้านทานพอแล้วมันไม่เห็นได้เออกิดประโยชน์เสือมไปแล้วก็เสื่อมไปเถอะแต่พุโทโธจะไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจำพอถึงอันนี้นไม่เสื่อมนแน่จริงแนวแน่ลงไปโดยลำดับหนักแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลํำดับนั่งที่ไหนก็สว่างเบาจิต บ, บาใจโล่งไปหมดอ่ะที่นี้ไม่เสื่อม ผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนก็แล้วสิม่เสื่อมไปก่อนเพืองสองั้งวันตอเก้าหรือนั้นสองวันนั้นลงห้วบเลยหมดพยายามบำรุงอยู่ตั้งสิบสี่ถึงห้าวันกว่าจะถึงที่นั้นพอถึงพอเข้าไปถึงแล้วอยู่ได้เพียงวันสองวันนั้นลดลงอย่างปุบปัปรปับหมดเหลือแต่ความเสียใจแย้มหัวใจทานี้ต่อยจะเสื่อมไหก็เสื่อมไปเถอะ เคยหวังแล้วไม่เกิดประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุโทโธตอนนี้คือพูดถึงนร่อความทุกข์กมากจริงๆกระเดาท่าอย่างหนึ่งที่จิตไม่ถอยนี่ก็จะเอาท่าเดียวเนี่ยพอคนพอสู้กันได้นะถ้าว่าถอยเยอะอยู่ะดีกว่านี่ก็เป็นลอกหมดไปเลยไม่มีนั้นมากัน เลื่อยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปส่วนคําบริกรรมพอลามไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นแ่ะความรู้นั้นแ่ะมันเป็นที่พึ่งพึงได้แล้วโดวยไม่ต้องอาศัยคําบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนมันรู้เออ่าทีนี้ไม่บริกรรมก็ได้ท่อนเด่นก็เวลากําหนดตรงนั้นเลยไปไหนกําหนดไปตรงนั้นรู้ตรงนั้น เหมือนกับเรากำหน ด, ดกับพูดโทอั น, นเป็นฐานจิตได้เป็นอย่างดีแน่ใจจะกของว่าหนึ่งฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมั่นคงกว่าที่ทเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงอันก่อนนั้นสองการกำหนดความรู้นั้นเมื่อความรู้เด่นดวงแล้วกำหนดอันนั้นไม่ลดละกำหนดเช่นเดียวกับกำหนดภาวนา พ, พุโทโธละเอียดลงไปละเอียดลงไป นี่เป็นฐานของกิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละถึงเล่นใหญ่นี่ตอนจะนั่งตลอดลุ่มนั้นจากนี้ละถึงเริ่มนั่งตระหลอลุ่มกำหนดกันลงไปกำหนดไปลงไ ป, งไปที่แรกมันก็หลงลมันทอมเคยลงมันลงนง่ายๆแตว่ามีหลักมีฐานอันดีกำหนดภอนาลงไปเมื่อเวทนา อันใหหลวงมันยังไม่เกิดมามพอหนังก็สงบพอวันถอยขึ้นมานี่มันก็หลายเข้ามงก้าไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนั้นล่มไปหมด <c oughs> ฐานดีๆนั้นล่มไปหมดเหลือแต่วความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแก่กิตใช้ไม่ร้อนค้บคนร่างกายชันไปหมดทั้งตัวนี่แหละตอนในข้อตรลมบอลกันในเบื้องต้นเหตุที่จะได้อุบายสมพันน้บาบัขึ้นมา ตอนทุกเวทนาคือคืนวันนั้นก็ยังไม่ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไม่ตั้งสัจจัยานในเลยนั่งธรมรมดาธรรมดาแต่เวลาทุกเวทนามันเกิดขึน้นมามากเอ๊ยยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุเหตุผลปรเวทนาหน่อยถึงวันนี้ได้ตั้งสัจจัในขณะนั้นเลยอ้าวถ้ามาถึงเวลานั้นไม่ลุกพิงเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นวันใหม่อันนี้จะพิจารณาทุกเวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดกันสักที ไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตาย้วถีไม่รู้ว่ะขุดกันลงเลยที่นี่นี่แตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญามจะมีความแหลมคมเวลามันไม่มีทางมีทางไปจริงมันหมุนเตี้วเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนรกรอบเวลาจนเกาะปัญญามันเกิดนี่คนเราไม่ใช่โง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนเกาะหาวิธีเพื่อตัวเองได้จนได้เนีะยุ ค, คนถึงตรงทุกเวทนานีา่เห็นเวทานาเกิดขึ้น มากๆากนี่มันเป็นไฟไปหมดที่แรกมันก็ออกร้อนทำหลังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทนาใหญ่ตัวอะไรเลยเลยัญญ า, าใหญ่จริงๆมันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นจึกระทังกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดลงไปมันพอๆกันในเวลาที่ทุกเวทนาพอๆกันทั่วๆไปหมดทั้งร่างกายที่พอๆกันหมด ไม่ทราบจะตระยงที่ตรงไหนที่ไหนก็มีแต่กองไฟคือความวทุกข์อีกแลขุดค้นลงไปที่ทุกเวทนาโดยหมายเอาถึงเอาจุดที่มันมากกว่าเพื่อนอันไหนที่มันมากกว่าเพื่อนจุดไหนนั่นแหละจับจุดนั้นไว้เลยแยกทุกเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่าเวทนานี้เกิดมาจากไหนใครเป็นทุกข์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 มันแยกกันสติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่ได้นะมันวิ่งตลอดเหมืนอนเตี้ยวเตี้ยวจนค้อนลงมาสำคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายแล้วดูเวทนาดูจิตมีสามเนี่ยเป็นหลักใหญ่จิตก็เห็นสบายอย่างนี้ถึงพวกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรจิตก็ไม่เห็นทรวนทุรเกิดความเดือดร้อนระดับม้ำสายเลยนะแต่ความทุกข์ในร่างกายชัดว่าทุกข์มาก มันก็เป็นธรรมนาของกิเลสมันอยูมันต้องเข้าประสารกันแต่แม้เช น, นั้นจิตถ้าเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนผูดค้นกันลงไปจนกระทั่งเห็นกายก็ชัดเวทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้เป็นหมายเป็นสาคัญเวทนาว่าเป็นนั่นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี้นี่แล้วสรุปไปเลยนั่นเน่ยแต่มันเล่นแบบนั้นไม่ชักสี่ชั่วโมงนะกะลุวมวาน มันชัดก็จริงๆแล้วเวทนาก็หายวูบไปเลยกายคือสักดแต่ว่ากายกินของมันอยู่ทีนั่นเวทนาศักดิเวทนามันหายวูบเขา้าภายใจิตน่ะไม่ได้ไปที่อื่นพอหายวูบไปในจิตมือสว่างหมดทุกเวทนาดับหมดนอกจากนั้นแล้วกายหายหมดนี่ มันเป็นตามความจริงคือเราเรารู้ตามความจริงมันรู้อย่างนั้นนียังเหลืออันเดียวสักแต่ว่ารู้เท่านั้นคือละเอียดจงขนาดที่ว่าจับว่าเหมือนอะไรมันพูดไม่ได้เลยมันสักแต่ว่ารู้ครับเป็นสิ่งที่ละเอี ย, อยอดอ่อนที่สุดอยู่ภายในร่างกายหายหมดเวทนาหายหมดเวทนาทางกายไม่มีเหลือเลยร่างกายของเราที่นั่งภาวนาที่หายหมดหายจากความรู้สึก หรือแต่ความจักจะวรู้ตะแบบคิดแบบปรุงกันอย่างนั้นปรุงไปนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยเมื่อไปปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับเขยื่อนอะไรทั้งนั้นแน่วความที่แน่วอยู่ในลาพังตนเองคือจินนตนล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชานะชื่ออวิชามันก็แนบอยู่ในนั้นแ่ะเพราะจิตยังไม่ถอนต่ออวิชาแต่มันมีแต่จิตนล้วนๆกับอวิชาซึ่งไม่ออกไปทํางานกุอแจสงบอยู่นั้น เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดผู้คุยศสนาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือศัพต์ว่าปรากฏเท่านั้นลราพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้ศัพท์ว่าปรากฏสิ่งที่ศัพต์ว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นมันก็อยู่กับนั่นชั้นแนว ไม่ขยับขยื่อนทางจิตใจไม่กระเพื่อมไม่อะไรทั้งหมดแน่วจนกระทั่งพอเกิดการแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมามันกระเพื่อมยัดแล้วหายเนี่ยไปกระเพื่อมมันก็เป็นเองของมันนะเราเป็นหมายไม่ได้ถ้าไปหมายมันก็จะถอนคือจิตมันพอดิบพอดีมันเองกระเพื่อมยัดนี่มันก็รู้พอกระเพื่มยัดมันก็ดับไปพร้อม เท่านเดียวกระเพื่องมก็อีกแยับอีกหายไปพร้อมแล้วค่อยถี่เข้าถีเข้านั้นเนี่ยจิตเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่ได้ถอนทีเดียวมันมันมันมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่องคือสังขารมันปรุงยักขึ้นมาหนึ่งแล้วหายเนี่ยบยังไม่ได้ความหมายอะไรเลยเพียงกระเพื่อมยับระดับไปพร้อมเท่านั้นเดียว ยับขึนมาเแล้วก็ค่อยๆขีเขาพักขีเข้าถึงมาระสุดท่านรู้สึกตัวถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดาแล้วก็รู้เรื่องร่างกายเวทนาก็หายเนี่ยเวลาจิตสามเขึ้นมาแล้วเวทนาก็ยังไม่มีหายเงียนี่ได้หลักที่แน่ใจเกิดความมหัศาจารันว่าได้หลักในการต่อสู้ทุกเวทนานี้ได้หลักเบื้องต้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกเหมือนเป็นอันหนึ่งต่างหากแท้ กายเป็นหนึ่งต่างหากทุกเป็นหนึ่งต่างหากจิตเป็นหนึ่งต่างหากแต่เพราะความรุ่งหลงเราจึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าพิจารณากันเลยกลายเป็นความหลงทั้งทั้งดวงถ้าจิตจะเป็นจิตหลงทั้งดวงแล้วไฟเหล่านี้มันเกิดจากธรรมชาติมันก็ตามแต่เมื่ออมาเผาตัวเองแล้วมันก็ร้อนหนักเพราะความต้องันนี้เองไอ้ร้อนคนรู้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 เอาอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาลูกครั้งนั้นมาแก้ทางนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายก็สด ร, ร้อนเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้แล้วในปัจจุบันลงได้อีกนะในคืนแ้วนั้นลงได้ถึงสามผลอย่างเอากันอย่างตะลุมบอลอะถงสามผลพอดีสว่างโ้ยเกิดความอาจความหานลื่นเริ ง, เร ง, เรงไม่คุัวตาจริงุกบมันจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็โอทก ก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ไปแบบไปหามันเแท่านั้นทุกก็มีมีความหมายอ่าจริงมันรู้ชัดก้ายมันกม็มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันกม็มีความหมายในตัวของเราอีกนอกจากนีก้เราให้ความหมายมันแล้วก็ป่อยเราทุกมาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างไรมันชัดเจนอ๋อเพราตื่นข้งมานีาใหม่มันข้าวหานอยากจะข่าวเพียนท่านอาจารย์ไหม ม่เกิดความห้าวคว า, าอะไรพูดไม่ถูกเพาไม่อาจารย์แลไม่เเห็นอาจารย์แบบนั้นตั้งแต่เราปฏิบัติมาเ้าไม่ เ, เคยเป็นอย่างนัง้นมันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความมุ่งอา่าหานรวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบตัวเข้าไปเมื่อถอยออกมามันก็ต้องเกิดความอาา่านหันมาแล้วได้พิจารณาอย่างนั้นนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นนั้นมาแล้วนะมันรู้ทันถึงจะเป็นขึ้นข่าวหน้าข่าวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าพึ่ทุกข์ก็ทุกข์หน้าเก่า กายก็กายอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยใช้อยู่เนี่ไม่ัวตายจน ถ, ถึงเกิดความอะไรถ้าเป็นโลกเรียว่าท้าทายกันเอาเธอพูด ง, ง่ายๆเป็นอย่างนั้นถ้าจะทํามันไม่เป็นอย่างนั้นมีเราเทียบเทียบเทียบถึงาตายก็เอาเธอวางัว้จเจ้าทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์นี้มีอยู่ในขันเท่านั้นมีมากมีน้อยได้รู้กันแล้วในขันจะออกมากน้อยหนักเบาขนาดไหน ก็ไม่เหนือจากความรู้ความกามากไม่เหนือกับสติปัญญาไปได้สติปัญญาเป็นผู้สามารถจะตามรู้ได้หมดน่ะดังที่เคยรู้มาแล้วดังที่เคยถอดถอนกันมาแล้วมันเกิดความกล้าหาญเวลาตายก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสติปัญญาได้รอบตัวดิฉันนี้นี่คาต่อไปจะเอาอีก็เหมือนนั่นเหมือนนั่นอยู่ด้วยชนะทุกทีเลงได้ทุ่งลงขนาดนั้นไม่มีวันไหนที่เรา ว่าวันนี้นั่งตลอดมุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลย ม, ยมีแต่ความบอบช้ำภาในจิตใจหมดไปทั่วร่างกายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างแด่นทุกคืนจงกระทั่งกับเรื่องความตายนี่ ม, ม, ม, มันไม่กลัวะจะเอากลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมนาคือแยกแกะลงไปจิกระทั่งถึงว่าอันไหนมันตาย ผงตนเนฟันหนังเงือยก็ดูนี่เป็นส่วนาธาตุดินาธาตุดินมันเคยตายมาเมื่อไสลายแล้วไปแล้วเป็นยงไงกาหนดตามก็แนวลงไปสู่าธตาตุดินงของมันธาตุน้ําก็แนวลงไปสู่าธาตุน้ําตามเดิมธาตุลมธาตไปลงไปสู่ธาตุดินงของตนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรคิดหายมีแต่เพียงว่าธาตุเหล่านี้มาประชุมที่มาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอาศัยกิตเข้าไปสิงติดตัวเจ้า มหาหลงนี่เขาไปสิงเขานั้นเขาไปแบกเอาหมดนั้นมาเป็นตัวของตัวกระจับจองนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราจรึงไปกอรอบกลัวทุกข์นะด้วยความสําพันธ์อนั้นขึ้นมาเผาหล่นตัวเองเท่านั้นมันมีอย่างอื่นนะตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษนะั่นธาขันเขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาไม่ได้เป็นตัวฆ่าสึกอะไรแกเราเลยเขามีความคิดของเขาอย่างนั้นแต่เราไปแบกไปหามไปทั้งขัญต่างหาความทุกข์เป็นเราปุ๊บผิดขึ้นมาเองจริงวันนั้นไม่ได้ผิดให้เรานะ ไม่มีอะไรมาให้ทุกข์แกเรามันเข้าใจเราเองเป็นความสําคัญผิดท่านเราเป็นผูวให้เกิดทุกข์ก็คือความสำคาญผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขมาเผารวนจิตใจให้เดือดร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตทั้งก้ไหนตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุพิจน si <that>? ้าลมไฟลงถึงธาตุเดิมขอเต็มส่วนแล้วจิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายทั้ไหนตายอะไรตาย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 มันไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงอกู่เท่านั้นรู้ชัดเจ น, นจิตนันก็อาจหาเนเห็นความมหัาจรรย์ทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงๆทั้งๆที่ทุกเวทนามันเหมือนจะส่งเปลยไวไปถึงเมตรมันความทุกข์ความร้อนเป็นตุลเป็นไฟทายในร่างกาย แต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำ น, นาจของสติกับปัญญาอย่างร่าหไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกาก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ตากฏเลยเแลอวในความรู้อันเดียวเหมือนกับอยู่ในกลางอากาศแต่นล้วมันไปเทียบเวลานั้นมันว่างไปหมดแต่ความรู้นั้นรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเทา่านี้สิ่งที่แปลกอยู่ในโลกนี้ดินนั่นลมไฟมันไปมไม่สมบัติสัมพันธ์ คุงหมดความรู้สึกจากดินจากน้ําจากลมจากไฟจากร่างกายทุกส่วนแล้วเหลือแต่ความรู้โดยลาพังตัวเองด้วนล้วนเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลย น, นั่นเป็นความรู้ที่อศัศจริจะ ก, การพินารรอบครอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่ง น, นั้นเด่นทักเจนะนะอัศจริถ้าลงในจิตได้ถึงไปเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นอยู่กี่วันกี่คืนก็ตามมันออก็มีความหมายถึงเรื่องทุกเวทนา ร่างการจะแตกจะดับนี้จะเจ็บปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ยังไม่มีในขณะจิตเช่นนั้นนี่มันก็ทําให้อย่างถึงเรื่องถ้าสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระปฏิบัติบุตรเจ้าท่านเข้าสามีรโรจนบัตรเจ็ดวันท่นนึกออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าลงจิตไม่จะเกี่ยวข้องกับอะไรเลยหรือจะความรุ่นรว่นทึ่งศักแต่ว่าปรากฏนี้เทัานั้นแล้วไม่มีการสถานที่จะไปเกี่ยวข้อง จ่นั่งหรือตัการตั้งการ ก, ก็นั่งเธอไม่มีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างกายมันมันทนไม่ไหวมันจะแจกเขาสลายไปเฉยๆน่ยโดยไม่ต้องต้องเทือนธรรมชาตินั้นเลยงานจิตมันยอมรับแหละเชื่ออาจารยคราวนี้รอดสมาบัติได้ทั้งหมาได้ถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวมาสู่อะไรอะไรแล้วเข้าไปมันเป็นอย่งนั้นกี่วันกี่เวลานันก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเวลา ร่างกายมันจะมีทุกที่ไหนคืมันไม่มีเลยร่างกายไม่มีความรู้สึกเภทนาเขามีในความรู้สึกเนได้ความรู้ล้นล้วนออนั่งเราตั้งกับตั้งการนั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้อนะมีก็ทําให้เชื่อถึงเรื่องพระพุทธเจ้าท่านข้อนี้ก็ทมบัติโดยเถือนนี่เป็นหลักฐานยืนยันแม้เราจะไม่นั่งในนานก็ตามแต่ขณะจิตที่มันสงบตัวขนาดนั้น ผู้ระยะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าสู่โลกธรรมบัติได้เป็นเวลานานๆเพราะเป็นลักษณะนี้ว่างนั้น ล, ลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยร่างกายสมมุติว่าร่างกายเปือยพังไปหมดมันทนไม่ไหวเพราะร่างกายเป็นอิสระตุกขาตามันก็เปื่อเยเฉยเฉยโดยที่ว่าจิตอ น, นั้นไม่ไม่ได้รับทราบเลยนี่เป็นเป็นเป็นข่านที่เกิดขึ้นด้วย สติปัญญานี่เป็นขั้นของปัญญาอารมสมาธิคือจิตจะแน่วลงไปถึงเป็นภูมิเต็มฐานของความสงบเพราะนั้นเพราะปัญญาคน้คนคว้อย่างเต็มเหตุเต็มผลและรวมลงไปอันนี้รวมอย่างอุงอ่นอ่างก้าหารรวมอย่างละเอียดมากเลยเดียวําพังจิตที่เป็นไปด้วยกำลังสมาธิกําหนดแล้วลงไปเลยนี่มันเป็นแนวอย่างนั้นเท่านั้นมันมันไม่ได้ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิต ที่สงบลงด้วยอำนาจของปัญญานี้ละเอยียดทุกครั้งไปเลยถ้านลงในตะลุมบานขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สงบและต้องสงบเต็มที่บางที่เห็นเห็นนี้นี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจหานหรือเป็นเชื้ออันสาคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตว่าอะไรจะสูญสิ้นไปหมด เพียงไรก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นได้เด่นชัดเป็นเห็นก็เห็นกันอย่างชัดเป็นในขณะที่ไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกนั่นแหละมีสัจจะพารู้อันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดนะแต่ว่าขันสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะเวลาจิตมันเป็นเป็นอย่างนั้นแต่มันมาก็เื่ยเรื่อ ย, อยพิจารณาเลยออกทางด้านัญญาจนถึน เขยับขยายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ย่นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นลำดับลำดับแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาย่นเข้ามาเข้าวงแคบมาเรื่อยอยู่เรื่อยอยเรืาทึงคาดทิ้งขันแยกขาดแ่งขันทีนี้มันจะมันจะเป็นสมุติเฉดตปหารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในวาระต่อมาอันนั้นมันมันละกันได้ทั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานดินกันได้จังนั้น เวลาที่เราพิจารณามันแล้วไม่ไดเด็ดขาดไม่เป็นสมมุติเสื่อมตระหานในเวลาพิจารณาทางด้านปัญญ า, านี้มันเข้าใจจะทันแล้วมันมันขาดถอนออกจากกาันขาดออกจากกันขาดกันเป็นลําดับๆขาดไม่มีชิ้นต่อขาดแต่โดยลําดับลดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเ่งรู้ก็ขาดไปจากความยึดมั่นโดยธนาสัญญาทาั้งขาทั้ยันขาดจากความยึดมั่นทั้งมันคือความยึดมั่นทั้งมันี่ขาดจากเขาก็ถูกเงี่ย ขาดไปเรื่อยๆเลือดจาความรู้ด้วยจิตคำวิชาทฝังจมอยู่ภายในนั้นค้นเข้าไปตีให้แหลกฟันให้แหลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันก็ไหมนั้นแตกเพราะนั้นแตกไปแล้วหมดความอาจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้งหมดน่ะรู้แล้วจึงเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็น เชื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นมาโดยลำหนะักน่ะหรือว่าเป็นแจะพูดถึงฝ่ายดีก็ดีแต่ถ้าเราจะมุ่งถึงทำมัละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับปวิชาหนะักไม่ใช่ดีแค้ไม่ใชดีที่บริสุทธิ์ ด, ดีจะปนอยู่กับชั่วกับทุกข์ทุกข์มันจะมีทางเกิดได้หรนะือเพราะฉะนั้นจึงต้องจัดนายเข้าไปอยู่ที่จนแหลกละเอียดภารกิจอะไรที่เป็นเชื่อที่จะให้มีความแปลก แป่ปรวนดุพันธกิจชำละให้หมดแก้ให้หมดพ่กให้หมดจ็ไม่มีเหลือแล้วหมดจุดหมดดวงถึงสมมติมิยมว่าอันนั้นอันนี้หม ด, หมดแล้วจะทำรู้สุบายสุดต้นล้วนนี่ถึงไม่มีสมมติหมดโดยประการทั้งปวงนั่นหมดแท้ อาจารย์หรืนไม่อาจารย์เรไม่รังพูดพูดไปทําไมมาแต่การกล่าวมาทางนี้มันยากหรือไม่ยากก็ขอพิจารณากันถึงขั้นจะจะเสศไหลาบางครั้งมันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่เทนามันก็าสหาหัสจริงๆมันก็จะเป็นไฟทั้งร่างกายนี่หละ แต่แล้วมันก็ผัานมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาแล้วกินไม่จนกรอกถ้าเรานาํามาใช้คนเราไม่ได้ง่อยู่เสมอไปเมื่อถึงถ้าจนกรอกแล้วต้องช่วยตัวเองไปจนได้ใครจะยอมให้จมมือเฉยทั้งทั้งที่สติปัญญาก็มีพอพอจะแก้ยรืมีช่องทางพอที่จะเล่นลอดออกมาได้พอที่จะบุกเบือนไปหน้ใครจะยอมตา ย, ตายจมมือเฉยจมทุกข์เต้องหาทางออกจนได้นึ่หนึ่งเมือ่อตัวปเวยจนามันข้อเข้ามา และมีทางไหนที่จะแก้ทุกขเวทนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าเนี่ยนะผลจนมีช่องออกเปนได้นานปัญญาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเมื่อเป็นนักพิสูจน์นักพิจารณาถึงค้าวจนกรอบก็มันรวมตัวกันมาเองช่วยไปเนได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เรอาอยู่ในที่สําคัญสาคัญซึ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั้นเองตุณหงาเพื่อจะได้ สติปัญญาก็จะทำงานให้เต็มไม่เต็มหน่อยถาูดต้องการสถานที่นั่นก็ช่วยผิด ป, ปัญญาเกิดได้ถอยู่ในที่กลัวๆสติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจารณาอะไรมันก็ค่องแค่แก้วกล้าถ้าได้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ย ดังั้นเป็นธรรมดาที่เกียจมากอืดอาดเนื่อยหน่ายอายุสถานที่ไม่กลัวความนอนใจไม่กลัว่คือความประมาทเองเอนอยู่เหมือนหมูอีกแล้วอายุสถานที่กลัวที่มันตื่นตัวตลอดเวลาสิความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ตลอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติสติต ก, ตการกดดูดตัวก็คือมันก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา น, นั่นเป็นความเพียงอยู่เสมอ อะไรจะมาสัมผัสสัมพันธ์าก็เข้าใจเข้าใจเพราะทำไม่นอนใจสถานที่ต่างๆท่านจึงสอนให้เราอยู่มันเป็นเครื่องส่งเสริมด้วยเื่องสนับสนุนความาพาพเปลี่ยนเราได้ดีอยูกุฏิสะดวกสบายหลังที่อยู่อย่างนี้เมืนเอนโอ้อะไรครบพร้อมเต็ไปหมดอาหารการขบการขันกับล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำสม้มน้ำหวานโกโก้โกาแฟ อาหารวานข้าวหลังไหลามาตัดทิศ ต, ต่างๆถ<ม>ึงถ้าผู้ไม่มีสติปัญญานันก็นอนกอดอาหารนี้เถอะสบายเลยส่วนทำนั้นไม่มีหวังที่จะได้ครองเ่ะผมมีสติปัญญาที่ต้องฟึกตัวมีมากมีน้อยต้องหาอบายฟิตัวระวังตัวเสมอไม่นอนจักนี่ก็ยังมีต้องท่าระวัง เขาไปอยู่ในที่ฉะนั้นในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องอย่างนี่แล้วมันคิดธรรมตรีแบบหนึ่งจะเอาอะไรมาเยอะเฟ้ออะไรก็มีแต่ขาดขาดาเขินเบุบบ้องบ้องข้าวมิจฉาบมาบางวันก็พอมันก็ไม่พอก็ไม่มีมตัววิการเพราะปวดมากี่วันก็เคอยอดไนจะไปยุติตกอะไรก็เพียงวันสองวันไม่กินอย่างนมันไม่ตายไงมันไปงั้นเพียะมันก็เป็นกังวลอาหารกับอะไรเหล่านี้เหมือนกันนีแต่เข้าว่าเป่ากนเยอะ แต่ไม่เห็นเป็นกังวลของเร า, าหาอย่างนี้นี่นี่เราก็กินไมปที่เป็น ไ, ไรหากลับที่ไหนเข่าเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั่งแตันตายแล้วไม่เห็นคนตายกินแต่ข้าวเป็นรายไปเรากินกลับก็บกินมาพอเรื่องเห็นวิเศษวิโสอะไรวะนี่จะหาทำอันวิเศษจะมาคอยยุ่งกับเรื่องการอยู่การกินมีอย่างเหรออะนักทำ ม, มาไม่ใช่นักกินนะเนี่ยแก้มันไปได้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บมันก็ไม่มีกังวลผลดุท้ายมีกังวล น, นั่นผล จากการแก้ไขไัเองแล้วลมันฉันมันทำเรื่องนี้เข้ากันคนหมุนติว้วกันนั่นงภ mm. าวนาก็ไม่ม่วงอาหารไม่มากมัไม่่วงอะไรยิ่งไม่กินแล้ยิ่งไม่ม่วงเลยบาย เ, ยเหนืออุบายท่านช่วยสอนท้าท่านไปทำยุคขโมยเสนาสนางาังบ้าอยู่ในป่าในเขามันปอภัยที่เปอกเกล่าที่น่ากลัว อาหารรสับปลายะอาหารที่สบายสบายที่นี่หมายถึงไม่ดันค่าสารให้กำเนิดเป็นโรคเป็นภัยไม่ยันจิตให้กำเนิดเนี่ยเรียกว่าอุอาหารสับปลายะอาหารที่สบายเมียเข้าเปล่าทนนาดีก็อาหารเป็นที่สบายก็หงห <c oughs> ินมั่มากมีแต่อาหารมี่จะกลับดีๆกินน่งไปแล้วนอนเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแลต่สบายของกิเลส ม, มันไม่สบายของอัดครองถังสบายเรื่องของกิเลนเรื่องงูต่างหะเน่ คำอาหาสัพพายานต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการฉันฉัน น, น้นอนมีนเกิดประโยชน์ฉันแ น, น่นอนของอ ง, อ ง, อง่วงนอนนอนั่งเพาะหน้าที่ไหนแน่วไปเลยแนวไปเลยถ้าจะเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับ ป, ปัญญาต้งมุนติ้วมุไปเลยมันเข้าแก้วทำมักจะเกิดในที่ขาดแคลนในที่กันดานในที่จนกรอบจนมุมไม่เกิดในที่เรือเปลือยนั่เกิดในที่กลมคือไม่เกิด สถานที่สะดวกสบายมันนอนใจตรงนั้นเขาถึงสอนมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเค อ, อยู่หอปราสาทราชมณ น, นมานานเท่าไหร่ลาเสด็จออกรงขหนวดใครจะได้ทุกยิ่งของพระพุทธเจ้านั่นทุกขะก็เกิดในที่ฉนา น, นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศรษฐีกรุงพีนนั่นตั้งที่ความมั่งมีแล้วออกมาแล้วเป็นจากลยบุตรชนีด ก็ทธิจินรสของบริจาแล้วเอาไปยังไงเป็นตายก็ตายไม่ยุออ่งอย่ามุนวายกะลายทั้งสิ่นนอกจากทําอย่างย่านั้นนั่นท่านก็ไปรับความไดปรับอดรับธรรมในที่กันดารอีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแน่เราจะเอาอันไหมนดิ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมาอย่างนั้นทำมาเกิดในที่เช่นนั้นในความทับขันลําบากลำบนเช่นนั้นทำมาเกิดกับกองทุกษ ความทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดทรรมก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์มีมาก็เป็นหินนับปัญญาค้นคว้ามาเห็นชัดเยนในเรื่องความทุกข์ถก็ตัวรอดไปได้เป็นยอดคนอนอารัก์เทวัง